อย่างไรพวกเราลองคิดตรงนี้ให้มากๆหลวงพ่อเนี่ยย้ําอยู่เสมอคนที่เกิดในตระกูลยากจนอย่างพวกเราอันเนี้ยไม่ตําหนิใครนะพวกหมูเนี่ยยังมีพ่อมีแม่พอได้เรียกนะหลวงพ่ออายุสี่ขวบเนี่ยพ่อแม่หายหมดแล้วถ้าหากไม่เห็นคนเกิดมาจากพ่อจากแม่ ผมเนี่ยคิดว่าตัวเองคือนารายอวตาร ล, ลงมาแบบไม่ต้องเข้าท้องแม่คนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนการศึกษาต่ำเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีปฏิบัติไม่ดีเป็นที่ลบหลู่ดูหมิ่นของชนชั้นปัญญาชนเนี่ยผมเตือนหมู่อยู่เสมออย่างเราเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เหนือเขาแล้วเขาดูถูกนะ ไปฟังฟังพวกที่เขาเป็นเจ้าเป็นนายใ ห, ใหญ่โตโตทำไมเจ้านายมันจึงไม่ค่อยเข้าวัดเข้าว่าเพราะพวกเนี้ยเขารู้มากแล้วเขามามองคนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นชนชั้นต่ำพวกเนี้ยบวชมาอาศัยศาสนาหาอยู่หากินไปแค่นั้นหาว่าเป็นพวกมาบวชอาศัยศาสนาหาอยู่หากินไปแค่นั้นอันเนี้ยได้ยินมากับหูเลย แล้วทีนี้คนที่เขามีการศึกษาสูงมีหัวคิดสติปัญญาเขามีความรู้ความสามารถในทางใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ศาสนาและหมู่คณะพอเข้ามาศึกษารู้เข้าหน่อยเขาคิดหาทางทำดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ควรที่พวกเราจะได้คิดมากๆแม้ว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถในทางอื่น <S <S เพียงแค่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคารพในสิกขาบทวินัยให้ดีเพียงแค่เนี้ยมันก็พออยู่ได้คนที่มีฐานะตระกูลต่ำพอแม่ค่อนข้างยากจนพอบวชเข้ามาแล้วก็มองเห็นแต่จะได้ประโยชน์ช่วยโอกาสทันทีผิดถูกก็ไม่รู้ประเภทที่สองพวกพออ่อค้านาธุรกิจประสบความล้มเหลว พวกเนี้ยพอมีจังหวะพอมีโอกาสฉ่วยโอกาสทันทีเนี่ยเท่าที่เราสังเกตดูมันเป็นอย่างเนี้ยคนที่เขามีความรู้ความสามารถนอกจากเขาจะทำประโยชน์ส่วนตัวเท่าที่เขาจะสามารถทำได้แล้วเขายังชักจูงหมู่มาด้วย